ภูมิใจได้เป็นสิทธิ์หลวงตาอายุมากแล้วปีนี้ขึ้น8รอบ96ปีท่านอ่อนลงมากทั้งสังขารและกำลังวังชานับตั้งแต่ท่านมาตั้งวัดนี้และเผื่อแผ่ความเมตตาไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับคนไทยทั้งหมดหากวิ่งเข้ามาหาท่านมาขอความช่วยเหลือท่านจะรับและให้การช่วยเหลือโดยไม่จากัดว่า เป็นอะไรแต่ขอให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเมื่อท่านรับและให้การช่วยเหลือแล้วท่านจะติดตามดูผลงานอยู่ตลอดไม่เฉพาะแต่ที่อุดรเท่านั้นที่หลวงตาช่วยหลายอยู่นับแต่สถานีรถไฟสะพานลอยโรงเรียนและโรงพยาบาลซึ่งเป็นเงินไม่รู้ว่าเท่าไหร่รู้แต่ว่ามากโขและยังมีที่อื่นๆ อ, อีกเงินท่านที่เข้ามาจากงานบุญต่างๆท่านก็เอาออกไปให้ประชาชนทั้งหมดไม่เหลือไวในวัด วัดจึงเป็นวัดที่สงบและไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนตอนสร้างวัดใหม่ๆอย่างไรก็อย่างนั้นหลวงตาเป็นพระที่ไม่เหมือนพระองค์ใดลักษณะของท่านถ้าท่านไม่พูดก็จะเฉยๆผมมีความประทับใจในองค์ท่านการเทศของท่านทุกครั้งออกมาจากจิตไม่ต้องใช้ตำราเทศแต่อย่างใดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยธรรมดา ท่านเทศได้อย่างชัดเจนแปลภาษาบาลีให้ผู้ฟังได้รู้เรื่องในคำเทศของท่านท่านอธิบายให้ฟังได้สุดยอดเทศในแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตที่ท่านได้ปฏิบัติมาจนแตกฉานเห็นแจ้งครอบกลุมไปถึงสามแดนโลกธาตุจนไม่มีอะไรมาปิดท่านได้เทศแต่ละครั้งเหมือนกับรู้เรื่องในใจของคนที่เข้ามารับฟังเทศจากท่านความศรัทธาที่ผมมีต่อท่านเป็นความศรัทธาส่วนตัว ผมเชื่อท่านเต็มร้อยผมภูมิใจว่าในชีวิตนี้ที่เกิดมาผมได้พบกับพระหลวงตาความเมตตาของหลวงตาท่านไม่มีประมาณองค์เดียวเท่า น, นั้นครับในสามแดนโลกธาตุบทความโดยคุณหมึกเสียงอ่านโดยโจโฉ แเพียงแรกแล้วบรรดาบิดติเอผล ทุกๆสิ่งรอบปลายเปลกลายพิรมสิ้นความไร้มนต์ทินอันอยากเรียบปานความสลาย สับซ้อนโอรานที่มีที่เป็นอยู่ครวรคิดดูเหมือน